พอกินอิ่มนอนอุ่นนะปลอดภัยไม่มีอันตรายคุกคามเราก็มีความต้องการอย่างอื่ น, นเพิ่มขึ้ น, นเช่นความสุขความสนุกสนานความบันเทิงรื่นเริงอาจจะรวมไปถึงความร่ำรวยนะ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 นะได้รับเรียกว่าความสำเร็จทางโลกนะตอนนี้นะก็จะเริ่มโหยหาความสงบอันนี้คือเพราะทําทไมนะคนจำนวนมากเนะี่ยโดยเพราะคนในเมืองตอนนี้ก็หันมาสนใจเรื่องสมาธิภาวนานะมันเป็นอย่างนี้กันทั้งโลกนะ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 หลายคนพบว่าการได้ความพังพร้อมบริบูรณ์ทางวัตถุนะมีชื่อเสียงกติยศนะมีอะไรต่ออะไรมากมายเนี่ยมันต้องแลกต้องแลกกับความสงบก็คือว่าชีวิตก็ต้องวุ่นวายนะต้องดิ่นรนนะต้องแข่งขันเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลบางคนนอนไม่หลับเนะี่ยอันนี้พอ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 พระธิเบตนี่มาแสดงธรรมแล้วก็มาสอนสมาธิการที่ได้ใกล้ชิดกับพระธิเบตเนี่ยสามวันเนี่ยนักษาไทยนี่ก็ประทับใจมากพระธิเบตนะท่านนี้เป็นพระที่มีเมตตาอารมณ์ดีมีอารมณ์ขันแต่ว่าสงบนะใครที่สัมผัสอยู่ใครที่อยู่ให้กลก็สัมผัสได้ถึงความสงบ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 ผล hey, ก็คือกลัวใจไม่สงบมันมีนิทานเรื่องหนึ่งนะซึ่งก็คงมีที่มาจากเรื่องจริงนะนะมีชายหนุม่มคนหนึ่งเนี่ย <c oughs> อันนี้เข้าใจจะเป็นประเทศญี่ปุ่นนะชายหนุม่มคนหนึ่งเน่ยฝ่ยธรรมมากอยากจะบรรลุ ธ, ธรรมก็อุตส่าห์ทิ้งบ้านนะ <c oughs> มาบวชปฏิบัติธรรมที่วัด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 ก็เกือบเที่ยงแล้วไม่เคยมีเวลาปฏิบัติเลยอย่า ก, กันนั้นเลยนะเราลงเขาเนี่ยประมาณสักสามวันครั้งก็แล้วกันนะจะได้มีเวลาปฏิบัติทำแต่ขั้นทำอย่างที่ว่านั้นก็ปอกว่ามันก็มีอย่างอื่นที่ต้องทำเช่นซ่อมกระท่อมนะต้องไปตักน้ำต้องไปพาฟืน แถมต้องยังต้องซ่อมรองเท้ารองเท้าสารเนี่ยนะเวลาลงเขาเนี่ยโอ้โลงเขาขึ้นเขาเนี่ยไม่ถึงเดือนนะแค่อาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันก็เสียละต้องซ่อมเสียเวลามากก็เกิดความไม่พอใจนะว่ามันเราไม่มีเวลาปฏิบัติทำเลยอุตส่าห์มาที่นี่ยังเสียเวลาทําเรื่องพวกนี้นอกนากนี้นมีปัญหาตามมาคือเนื่องจากนานๆนนสองสามวัน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 เลี้ยงแพะดีกว่าไปขอแพะชาวบ้านมาหลายตัวอ่าคราวนี้ไม่ต้องลงเขาแล้วนะก็ลีดนมแพะนี่แหละนะเป็นอาหารเสริมแต่คราวนี้พอมีแพะมาหลายตัวยมันก็มีปัญหาใช่ไหมมันต้องเสียเวลาเสียเวลาไปตามหาแพะบางทีบางตัวก็หนีไปเสียเวลาไปทําคอกให้แพะเสียเวลาไปหาญ้าให้แพะโดยเพระในหน้าหนาวมันไม่ค่อยมีแพะมันไม่ค่อยมีหญ้า อันนี้มัประเทศญี่ปุ่นนช่ไหมหน้าหนาวนมันหิมะเนี่ยก็ต้องอมีหญ้ามีฟางเก็บเอาไว้โอ้ยเหนื่อยไม่มีรับปฏิบัติธรรมเลยทํายังไงอะ่ะกันไปหาคนมาช่วยเลี้ยงแพะดีกว่าอหาคนมาช่วยเลี้ยงแพะก็คิดว่าทําไม่มีรับปฏิบททัติธรรมปรากฏว่ามันต้องบินธบาดเพิ่มขึ้นเพื่อเอาหารเนี่ยมาให้คนเลี้ยงแพะด้วยอที่เคยบินธบัตสามวันครั้งเนี่ย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 ครูบาชาตอนนั้นเป็นพัดหนุ่มเนี่ยท่านก็สงสัยว่าโหครูบาจารย์นี่ทั้งวันไม่ค่อยได้ทาอะไรเลยไอ้เรอนี่ทําความเพียรทั้งวันยังไปไม่ถึงไหนเลยแล้วครูบาจารย์เนี่ยนะท่านจะรู้อะไรนะท่านก็มีความสงสัยแล้วก็อาจจะประาโมทอ่านะครูบาจารย์อยู่ในทีแต่หลังจากที่ได้ฟังธรรมจากหลวงปู่กินดารีเนี่ยนะอย่างใกล้ชิดเนี่ย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 แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องมีงานให้ต้องทำนะ mm hmm. เช่นจีวรเนี่ยจีวรเนี่ยมันรุ่ยจีวรมันขาดนะท่านก็ต้องเลิกจงกรมนะเลิกปฏิบัติมาเย็บจีวรต้องมาปะชุนจีวรท่านก็สึกขัดใจนะเพราะเสเวลาเสเวลาปฏิบัติทำเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ปะชุนจีวรท่านก็ทําแบบเร็วๆนะหลวงปู่คืนน้สังเกตเห็นก็เลยพูดขึ้นว่าท่านชาท่านจะรีบร้อนไปทําไมเล่า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 ไม่มีสตินะรู้ความอยากนั้นเพราะอะไรเพราะตอนนั้นใจนมันไปอยู่กับอนาคต ล, ละ่ะก็คือจะรีบเพสเสร็จใบวัยไอหลวงปู่กิ น, นยูท่านทําให้หลวงพ่อชาได้คิดแล้วว่าโ อ, อ้ทำงานไม่ว่าอะไรก็เป็นภาวนาได้เพราะรหว่างที่ทำํำเราก็ดูใจของเราไปนะอันนี้ที่จริงเนี่ยพระเจ้าก็ก็ได้สอนนะว่าไม่ว่าทําอะไรเนี่ย เราก็ภาวนาได้เป็นภาวนาที่เรียกว่าไกยนุปัสสนาชนิดหนึ่งนะก็คือการทำความรู้สึกตัวนะคเจ้าตัา ว, ว่าให้ทำความรู้สึกตัวนะเวลาเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเวลามองเวลาเหลียวนะเวลาคู่ขาเหยียดขาก็ให้รู้สึกตัวเวลาครองผ้าสภพายบาทนะหรือว่าทรง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 มันเป็นการปฏิบัตินะทั้งทำหน้าที่ต่อร่างกายแล้วก็เป็นการทำความสึกตัวให้กับจิตใจด้วยนะเวลายืนเดินนั่งนะหลับตาเวลาพูดเวลานิ่งนะก็ทำทำความสึกตัวได้นะทำงานล้างจานนะทำครัวก็ภาวนาได้นะระหว่างที่ทำ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 เมื่อใช้กายเนี่ยมันเคลื่อนไหวก็เห็นมันนะก็คือรู้ว่ากายเคลื่อนไหวระหว่างที่ทําบางทีใจลอยอา้าวก็รู้ใจคิดนึกนะบางทีใจมันไปหงุดหงิดกับเพื่อนร่วมงานอา้าวก็รู้เวลาใจมันคิดว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จอารู้ทันดึงกลับมาเวลาเจอเสียงดังมากระทบหูอา้าวใจกระเพื่อมอา้าวเห็นพอเห็นเท่า น, นี้ใจมันก็เป็นปกติ